พระผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระ อ, องค์อื่นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคดมผู้เป็นเทพสูงสุดผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระ อ, องค์และหม่อมฉันพบมาแล้วมากมายเห็นไมท่านยอมอะไร้วยเนี่ยเจอพระเจ้าผ่านมาแล้วอย่างมากมายนับไม่ได้ท่านบอกว่าพระเจ้าที่นอกจากพระโคดมเนี่ยองค์ปัจจุบันนี่ ระหว่างท่านกับพระนางผ่านพุทธเจ้าเหล่านั้นมาแล้วมากมายนับไม่ได้ข้าแต่พระมหาโมนีหม่อมชั้นทำอธิการเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์เมื่อพระองค์สแสวงหาพุทธธรรมอยู่หม่อมชั้นได้เป็นบาทจริกาของพระองค์ในเสียสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับพระมหาวิริยเจ้าพระนางวัตีบังกรผู้เป็นผู้นําของโลกเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในปัจจันตประเทศมีประชาชนยินดีทูลนิมนต์นพระตถาคต วันนั้นเขาช่วยกันแพ่าถังขนทางที่เสด็จพุทธดำเนินของพระบรมศาสดาครั้งนั้นพระองค์เป็นพราหมณ์ไงเห็นไหมเล่าประวัติเลยครพระองค์เป็นสุมเมธาพราหมณ์นี่นแหละนามวาสุมเมธะตกแต่งขนทางเพื่อพระสุคตผู้ทรงเป็นธรรมทั้งปวงซึ่งกําลังเสด็จมาคราวนั้นหม่อมชั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นหญิงสาวมีนามวาสุมิตรตาเข้าไปสู่สมาคมหม่อมชั้นถือดอกบัวแปดกำมือ เพื่อบูชาพระบรมศ า, าสดาได้พบพระองค์ผู้เป็นฤาษีอันเปรสริฐผู้เปรสริฐสูงสุดนี่ยนะในถ้ำกลางประชุมชนแล้วครั้งนั้นหม่อมฉันได้เห็นพระองค์ผู้มีผู้นอนทอดตัวนอนทอดล่างอยู่นั่นแหละทอดตัวอดทนให้พระเจ้าเหยียบเป็นผู้มีความน่ารักน่าเคารพจึงมีความรู้สึกว่า ชีวิตของเรามีผลแล้วครั้งนั้นหม่อมชันเห็นความพยายามของพระองค์ต้องพยายามไหมนอนทอดล่างอย่างนั้นถวายชีวิตเห็นความพยายามของพระองค์นั้นมีผลเพราะเห็นพระพุทธเจ้าพยางก่อนจึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษีในครั้งนั้นด้วยบุญที่ทำ มาก่อนทั้งจิตของหม่อมชั้นก็เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหม่อมชั้นทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์ผู้เป็นฤาษีผู้มีจิตใจสูงมากะ ถ, ถามว่าคนที่กล้าคิดอย่างนี้ให้เราไปนั่งคิดหรือกล้ามีนลยผู้มีจิตใจสูงส่งมาก จึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านฤาษีดิฉันมองไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรถวายแล้วจึงขอถวายดอกบัวแก่ท่านข้าแต่ท่านมหาฤาษีดอกบัวห้ากรรมจงถือไว้เป็นของท่านดอกบัวห้ากรรของดิฉันกับดอกบัวห้ากรรมของท่านจงมีผลรวมกันเพื่อประโยชน์แก่สัมมาสัมโพธิญาณของท่านเถิด 5กับสจงรวมกันเพื่อประโยชน์แก่สัมมาสัมโพธิญาณของท่านเด้ น, นั่นไงคือคือการตั้งปณิธานสุมเมธาดาบทรับดอกบัวแล้วก็บูชาผู้เจ้าพระธีปังกรผู้สแสวงหาคุณนัยิ่งใหญ่มีบริวารมียศมากผู้สเสด็จดำเนินอยู่ในท่ามกลางชุมชนเพื่อประโยชน์แก่สัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระมหาหมุนีมีความเพียรมาก พระนามพทีปังกรทอดพระเนี่ยถินสุเมธะดาวบทผู้มีใจสูงแล้วทรงพยากรณ์ในถามกลางประชุมชนข้าแต่พระมหามุนีในกลับอันหาประมาณไม่ได้แต่กับนี้พัทีปังกรได้พยากรณ์ว่าอุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกันมีการกระทำเสมอกันมีปกติทำร่วมกันจักเป็นที่รักเพราะการกระทาเพื่อประโยชน์แก่ท่าน ใช่หไหมพระศาสดาพยากรณ์แล้วที่สุดจริงๆเนี่ยแล้วนางก็ได้รับพยากรณ์ใช่ไหมแล้วก็เดินร่วมสร้างสัมมาสัมโพธิญาณวันนี้สัมมาสัมโพธิญาณเกิดแล้วสรรพยุตยญาณได้เจาะทะลุทะลวงพระธรรมแล้วก็กล่าวพระธรรมเป็นไปอยู่ใช่ไม้มทำไมต้องกล่าวตรงนี้เพื่อให้เราทั้งทั้งหลายเห็นอะไร เห็นความเหนื่อยยากของของบุคคลอย่างมากมายที่ร่วมกันในการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเนี่ยจะได้เห็นว่านี่ไงพระธรรมแต่ละอัดแต่ละปัญญชนะมีคุณค่าอย่างยี้มีคุณค่าต่อการที่เราท่านทั้งหลายที่จะต้องเจาะทะลุทะลวงเพราะว่าต้องอาศัยเลือดเนื้ออาศัยความเพียรพยายามอาศัยจิตใจที่ตั้งมั่นแบบอุกฤษ อาศัยฉันทะอุริยาจิตตาวิมังสาในอย่างรุนแรงใช่ไหมในการที่จะระดมในการที่จะตั้งความเพียรกล้าสละชีวิตเนี่ยในการบําเพ็ญบารมีเหล่านั้นทีนี้มามองที่เราอะไรตีเนี้ยเออเราระดมความเพียรแค่ไหนต่อการที่จะเห็นค่าเห็นคุณของพระธรรมที่พระบรมศาสดากว่าจะได้มาใช่ไหมเออเราเห็นค่าขนาดไหนของศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ตอนนี้ดูที่ว่ากายกรรมอบม ร, รมกายแค่ไหนว่าจีกรรมใช่ไหมอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญานย่างดูที่เออเห็นพระธรรมอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสัพพยุตยานสัมมาสัมพทิยานก็ได้แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เรานั่งทําอะไรอยู่เออเรานั่งทําอะไรเรามาฟังพระธรรมแล้วถามว่าสัตทินรียเราแข็งแรงดีไหมถ้าไม่แข็งแรงมันเป็นเพราะอะไรอะไรเป็นปัจจัยทําให้สัตทินรียของเรานั้นจึงไม่มีความตั้งมั่น จึงไม่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระศาสดาสแสดงว่าการให้อาหารของศรัท ธ, ธาของเราเสียาหายใช่ไหมการฟังคุณของพระศาสดาก็ายังไม่ชัดเจนนั่นเองการสืบค้นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าก็ายังไม่ยังไม่แข็งแรงและการระลึกอย่างต่อเนื่องในคําสอนของพระศาสดานั้นก็ยังไม่ถึงนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยในครั้งที่แล้วที่พูดถึงในเรื่องของการเจริญกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในชั้นของจิตตานุปัสสนาถามว่าเออจิตตานุปนัสสนาในพูดถึงอะไรพูดถึงทุกขสัตว์ตัวจิตนี่นะจิตทั้ง22ประเภทในหน้าที่13บสพิจารณาจิต22ประเภทเนี่ยนะโดยอนุปัสสนาเจเนี่ยภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเนี่ยนะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นจิตที่มีราคะ พิจารณาจิตที่มีราคาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยงพิจารณาเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นสุขพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ได้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเกิดนิพพิทายานไม่ใช่ไปยินดีเบื่อหน่ายไม่ใช่ยินดีพิจารณาเห็นโดยความเป็นวิกลาคานุปัสสนาคือคลายความกำหนัดไม่ใช่ไปกำหนัดไปเพื่อเพลินพิจารณาด้วยอยู่นิโรธานุปัสสนาเห็นความดับ ไม่ก่อสมุทัยให้เกิดขึ้นพิจารณาโดยปฏินิสคานุปัสนาสละคืนสละอะไรสละรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะละนิจจะสัญญาความจำหมายว่าเที่ยงเป็นต้นได้พิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็จะละสุขขสัญญาความจำหมายว่าเป็นสุขเป็นของหน้ายินดีน่าเพลิดเพลินได้ พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็ย่อมละอัตตสัญญาเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นอัตตาเป็นเราเป็นเขาเป็นต้นได้เมื่อพิจารณาด้วยนิพิทานุปัสสนาก็จะเบื่อหน่ายละความยินดีละความเพลิดเพลินในขันในธาตุในอายตนะเป็นต้นได้พิจารณาโดยวิราคานุปัสสนาก็จะคลายความกำหนับละความกำหนับยินดีได้พิจารณาโดยนิโรธานุปัสสนาจะเห็นความดับ จยากจะตะทางค้านี่นะไปสู่สมุเชธาเลยแล้วก็ดับได้อย่างถาวรในสุดยิงก็ดับอะไรดับราคะโทสะโมหะดับปฏิสนธิเป็นต้นได้นะที่สุดจริงๆก็คือไม่ยึดถือไม่ยึดถือและไม่ละก็ละสมุทัยเมื่อสลาคืนก็ไม่ถือขันห้าอีกต่อไปพิสูพิจารณาเห็นจิตโดยการเจ็ดอย่างอย่างนี้แล้วจิตก็ปรากฏ จิตปรากฏในที่นี้เป็นชื่อของวิญญาณที่เป็นประธานนั้นปรากฏเวทนาที่อยู่ในจิตนั้นก็ปรากฏคือเวทนาที่ธรรมชาติที่สวยสของอารมณ์ก็ปรากฏสัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์ก็ปรากฏแล้วก็เจตนาธรรมชาติที่กระตุ้นก็ปรากฏนะ จัดแจงก็ปรากฏมนสิ์การธรรมชาติที่กระ ต, ตุ้นเตือนชักนำสามยุทธธรรมขึ้นส่วรมก็ปรากฏเป็นต้นนั้นอะไรปรากฏทั้งวิญญาณขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและรูปขันปรากฏตอนนั้น ไม่ใช่สติจิตตังอุปทานางโนสติก็แปลว่าปรากฏต่อยานปัญญาของผู้ปฏิบัติที่สตินั้นเน่ยไปรักษาอารมณ์ไว้สติรักษาอะไรรักษาข้อปฏิบัติดีด้วยรักษากุศลจิตด้วยรักษารักษาอะไรอารมณ์ของสติปัฏฐานไว้ด้วยสติก็รักษาทั้งจิตรักษาทั้งอารมณ์ไว้ไม่ให้จิตและอารมณ์นั้นหายไปจากใจ ปัญญาก็ทำกิจในการเจาะในการแทงในการทะลุทะลวงเพื่อไปวิจัยอะไรวิจัยเห็นลนักคณะยตุกะแต่ในที่นี้วิจัยด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิจัยโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายคลายคำหนัดพิจารณาเห็นความดับสลากคืนแล้วก็การไม่ถือมั่นทั้งหลายฉะนั้นอนุปัสสนาญาณทั้งหลายที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้นั้นเพราะญาณปัญญา วิปัสสนาญาณปัญญาทั้งหลายที่มีสตินั่นแหละตั้งมั่นอยู่ในลมนั้นแหละไปตั้งมั่นอยู่ในจิตปรากฏอยู่ท่านพูดถึงจิตปรากฏนั้นน่ะหมายถึงว่าท่านใช้คําว่าลาชาอาคโตะจิตเป็นเหมือนว ร, ราชาเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันและโลภะขั น, ปขนเป็นเหมือนอามาตราชบริพานทั้งหลาย นั้นเมื่อปรากฏต่อยานปัญญาเพราะสตินั้นไประลึกอยู่ระลึกอยู่ในไหนระลึกอยู่ในขันห้านั่นลทั้งรูปนามขันห้าที่กำลังปรากฏในใจในยานปัญญาระลึกให้เห็นอะไรให้เห็นสันตติคณะของการสืบต่อกันของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกัทวาลต่างๆมีจากขุทวานวิถีลงสู่มโนท ว, วานวิถี โสตทวานวิถีลงสู่มโนทวารวิถีคานทวารวิถีลงสู่มโนทวารวิถีชิวหาถวารวิถีลงสู่มโนทวารวิถีกายยวารวิถีลงสู่มโนทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่กำลังเล่นลงไปเห็นสมูหะคณะว่าในกลุ่มเหล่านั้นมีวิญญาณขัน์มีเวทนาขันสัญญาสังขารและก็มีรูปขันกําลังเป็นไปอยู่เจาะทะลุทะลวงเห็นกิจจากคณะว่าเห็นกิจของนามธรรมรูปธรรมเหล่านั้นกําลัง ทำกิจเป็นไปอยู่แต่ละอย่างฉะนั้นสามารถอนัตตานุปสนาญาณก็ปรากฏในใจของผู้ปฏิบัติได้ท่านถึงเรียกว่าจิตปรากฏไม่ใช่สติไหมจิตปรากฏไม่ใช่สติทีนี้สติอุปถานาังเจวสติจะสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยแปลว่าอะไร ยานปัญญาที่ไปพิจารณาที่มีสติไปไข้ครวญอยู่ที่อยู่ในชั้นของโลกิยาเป็นทุกขสัตว์ฉะนั้นเมื่อสติเป็นทุกขสัตว์ปัญญาที่อยู่ในชั้นของโลกิยายังอยู่ในฐานะเป็นทุกขสัตว์อยู่ยานปัญญาหลังๆและสติหลังๆจึงต้องไปไข่ครควญไปพิจารณาวิจัยสตินั้นด้วยโดยลักขณะยิ่เถรกะและโดยยกขึ้นสู่สามัญลักษณะ ทั้งสติและธรรมที่เกิดพร้อมกันกับสติด้วยทั้งสติทั้งญานนะทั้งความเพียรทั้งสามยุทธธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับกุศลจิตุบาทที่มีวิปัสสนาปัญญายานเป็นตัวนําก็ถูกวิจัยทั้งลักษณะที่จตุกะและยกขึ้นสู่สามัญลักษณะ ด, ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คืออารามนาคณะก็ถูกไข่ครวญไปด้วยก็ถูกไข่ครวญไปด้วย เพื่อการถ่ายถอนใช่ไหมถ้าไม่วิจัยอย่างนั้นเราเป็นผู้มีสติเราเป็นผู้มีวิปัสนาปัญญาก็จะเป็นที่ตั้งของตัณหามานาทิฏฐิเพราะไม่ถูกละคลายถ่ายถอนจากความเข้าใจผิดจากความหลงผิดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้จเจริญเราเป็นผู้เดินวิปัสสนาญาณมาขนาดนี้แล้ว ฉะนั้นการถ่ายถอนความเข้าใจผิดคําว่าเรากันว่าของของเราอันนีจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็ปรากฏในยานปัญญาทั้งหลายว่าเป็นแต่เพียงสภาวธรรมทั้งหลายที่กล่าวคือรูปนามขันห้าที่กําลังทํากิจเป็นไปอยู่เพราะได้ ห, าหา้าฐานเพราะได้ปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดแต่ปัจจัยนะเมื่อปัจจัยเกิดก็เกิดเมื่อปัจจัยดับก็ดับใช่ไหม และสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเป็นโลกิยธรรมจริงอยู่ในฐานะเป็นทุกขสัตว์ควรรอบรู้พุทธเจ้าว่าทุกขสัตว์เนี่ยเป็นสัจยานของพระศาสดาใช่ไหมทุกขสัตว์เป็นสัจยานตถาคตตัดสรุปความจริงข้อนี้เป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นความจริงของพรุทาเจ้าสมุทัยสัจจะเป็นสัจจยานเป็นสัจจะเป็นความจริงของพระตถาคตเป็นสัจจะความจริงของพรุทาเจ้านิโรธสัจจะเป็นสัจจยาน เป็นความดับทุกข์ใช่ไหมเป็นสัจจคความจริงของพระตถาคตและของพระริยเจ้ามรรคสัตว์เป็นความจริงเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยนะเป็นความจริงเป็นสัจจคความจริงของพระธรรมคตและของพระริยเจ้าอทุคสัตว์เป็นสัตวอะไรเป็นกิจยานประเภทไหนเป็นกิจยานควรกําหนดรู้ไงเป็นกิจยานที่พระธรรมคตกําหนดรอบรู้อยู่กระทําประชุมกิจยานว่า ถาทาคตเนี่ยรู้สัจจ์ความจริงข้อนี้ว่าทุกขสัตริย์เนี่ยกิจยานเนี่ยพระองค์ก็รู้กิจยานทั้ง4ี่อย่างว่าทุกข์ษัตริย์ควรรอบรู้ควรกาหนดรู้แล้วพระองค์ก็ทําให้ดูแล้วไงพระองค์รอบรู้ทุกข์ัตรย์ของพระองค์แล้วก็ทุกข์ัตรย์ของสัตว์อื่นทั้งสิน้นในจักรวาลทั้งสิน้นแล้วเราล่ะเวลาทุกข์ัตริย์เกิดขึ้นไม่รอบรู้ตามพระองค์เราจะตัดสรู้ตามพระองค์ได้อย่างไรฉะนั้น สติที่มียานปัญญาเป็นตัวนําเป็นวิปัสนาญาณที่กล่าวกันเนี่ยที่ยังอยู่ในชั้นของโลกิยะทั้งหมดจึงต้องอยู่ในฐานะแห่งการที่จะต้องทํากิจแห่งการรอบรู้โดวยวิปัสนาญาณที่มีสติที่เกิดหลังๆนั่นแหละเป็นตัวไปใคร่คว้เป็นตัววิจัยเพื่อจะให้เห็นความกิงแท้ของสติของญาณ น, นะและธรรมที่เกิดร่วมกับสติเป็นต้นเหล่านั้นด้วยแล้วสติเหล่านั้นอาศัยอะไร คุณท่านต้องเอามาวิจัยด้วยนะอาศัยวัตถุแล้วก็การาชกายทั้งสิ้นมีมาพูดแล้วปราชญทีรูปเป็นไปต้องวิจัยด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความไม่งามด้วยแล้วต้องเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับและเพื่อสละกคืนสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นด้วยเมื่อรู้ลักษณะรักษาปยุปทานประทัดฐานเหตุไกลเหตุใกล้ของสิ่งนั้นถ้าไม่วิจัยอย่างนั้นที่สจริงโลกิยาวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดอยู่ดี นี่เขาเรียกว่าสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยสติอุปทานนางเจวสติจกักกาวสติแต่กาวทำอื่นด้วยทำที่เกิดร่วมด้วยนี้แหละเพราะเหตุ ด, ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าการพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายว่าสติประธานภาวนา ถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รอบรู้อย่างนี้ไม่เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาไม่เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนามองเห็นนี้อย่างสติปัฏฐานภาวนาเขาจเจริญกันยังไงภาวนาสี่อย่างจะเกิดขึ้นภาวนาด้วยว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดในภาว น, านั้นไม่ร่วงกันและกัน อะไรไม่ร่วงกันและกันในนั้นศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่ร่วงกันและกันประชุมกันแล้วประชุมกันแล้วศรัทธาเป็นปัจจัยแก่วิริยวิริยาเป็นปัจจัยแก่สติสติเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาเป็นต้นเป็นยุคพลธรรมไหมเป็นยุคพลธรรมไหมเป็นยุคพลธรรมแล้วยุคพลธรรมแล้ว ทั้งศีลสมถาวิปัสนาเริ่มมาทํากิจแล้วนะเริ่มมาทานกิจแล้วไม่ร่วงกันและกันแล้วสติอยู่ในฐานะเป็นสมถะนะสติกับสมาธิเนี่ยสติวิริยะเนี่ยนะสมาธิอยู่ในฐานะเป็นสมถะนะปัญญาและสมมาสังปกปะอยู่ในฐานะวิปัสนาปัญญานะกุศลศีลทั้งหลายอยู่ในฐานะเป็นศีล น, นะเห็นไหม ศีล ส, สมถาวิปัสนาทำกิจไม่ร่วงกันละกันนะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญ า, น, า, ญญานั่นเองศีล ส, สมถาวิปัสนาเนั่นเองเนี่เขาเรียกว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ร่วงกันและกันสองภาวนาด้วยคําว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันอะไรสัตทินรีวิรินทรียสตินทรียสมาตินรีปัญญินทีสัตทินรีย์ทํากิจอะไร ทำกิจแห่งการที่จะออกจากอสัตย์ทิยาทำไมสัตว์ทั้งหลายไม่กล้าศรัทธาพุทธเจ้าจริงเพราะออกจากตัณหาไม่ได้ไงไม่กล้าล่วงจากตัณหาได้นั้นศรัทธาในทานศีลภาวนาปอมๆออกจากตัณหาไม่ได้นะท่านทั้งหลายนีออกไม่ได้หรอกศรัทธาในทานปอมๆศีลปอมๆนี้สมาธิปัญญาแบบปอมๆออกจากตัณหาไม่ได้ออกจากอสัตย์ิยาไม่ได้ ออกจากความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ได้เพราะไปใช้ศรัทธาผิดใช่ไหมพระศาสดาตัตรุนุตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วบอกแก่พรหมบอกว่าดูก่อนพรหมสัตว์ทั้งหลายบอกพรหมผ่านถึงเราที่นั่งอยู่เนี้ยดูก่อนพรหมดูก่อนสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเธอทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาที่เราที่ทาคต ในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่กล้าไงไม่มีสัตทินรีที่แข็งแรงก็เลยไม่กล้าศรัทธาอารติโอคังได้ไหมศรัทธาไม่กล้าข้ามโอค่าไม่กล้าข้ามพญามิรินยังบอกว่าอุปมาเหมือนกับบุรุษไงที่ไปทั้งหลายที่ยืนออกันอยู่ริมฟัง่งไม่กล้าข้าม กลัวสัตว์ร้ายเราไม่กล้าเดินออกจากวัตถุกรรมจริงไม่กล้าเดินออกจากกิเลสกรรมการมมชันธาเป็นต้นเพราะศรัทธาไม่ไม่จริงไม่แท้มานานแล้วไม่กล้าไม่กล้าเพราะกลวัวไงไม่มีวิริยะใช่ไหมคือความกล้าหาญเหมือนกับ ม้าป่าตาขาวอยู่ในโพรงไม้ไม่กล้าออกไปหากินกลัวเสือเหลืองเสือดาวถ้าบอกว่าจะมีการฟังธรรมจะมีการไข้ครวนจะมีการประพฤติปฏิบัติจะมีการขัดกลาวกินน้อยนอนน้อยเพียทําความเพียนมากจบเลยไม่กล้าแล้วบอกขอกอดลูกกอดหลานกอดซับอยู่นี่แหละก็นอนเหมือนม้าป่าตาขาวอยู่นั่นแหละไม่กล้ากลัวเสือเหลืองกินกลัวเสือดาวกัดไม่กล้าเดินออก เขาเรียกว่าไม่มีความกล้าหนึ่งตัวเองไม่กล้าด้วยศรัทธามไม่กล้าก็ไม่กล้าชวนวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังอ่อนๆ อ, อ, อยู่กล้าตามไม่กล้าเพราะตนเองไม่เด็ดเดียวไงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งตัวเองเด็ดเดียวแล้วจะทำสาสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้เด็ดเดียวกล้าหารในการปล่อยใจเข้าศรัทธาในพระธรรมของพระศาสดาแล้วก็จะเดินออกจาก เดินข้ามเดินข้ามกาโมคะพระโอคาทิโทคาวิโชคาได้คือจะข้ามโอคะได้แต่ตอนนี้หลายๆท่านไม่กล้าเพราะอะไรศรัทธาศรัทธาไม่เดินอย่างต่อเนื่องอะไรเป็นปัจจัยแก่การที่ศรัทธาไม่เดินอย่างต่อเนื่องเพราะการสืบค้นคําสอนไม่เป็นไปตามลําดับฟังไม่ต่อเนื่อง เห็นคุณของพระศาสดาไม่ชัดถ้าวันใดวันหนึ่งเราเห็นคุณของพระบรมศาสดาชัดเจนเมื่อไร่นียความกล้าเนี่ยกล้าที่จะเจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธาออกจากอสัตถิยะออกจากตัณหาได้ก็ออกจากทานศีลภาวนาที่บ่มบ่มได้วิริยะออกจากอกุศลโกศช้าคือความเกียจค้าน ได้ก็ไม่กลัวต่อความเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวต่อการจะกระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุใช่ไหมจะทาให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งคือจะกระจะมีความห้าวหาเนี่ยจะเริ่มอะไรเริ่มตั้งแต่อาราพธาตุเริ่มปารบความเพียนบ่อยๆเห็นไหมเริ่มตรึกความเพียนบ่อยๆและระดมความเพียนบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆน่าเข้าหน้าเข้าก็ก้าวออกจากความเกียจข้านได้ ก้าออกจากทีน้ำมิทาได้ก้าออกจากความโหดหูฟุ้งซ่านเป็นต้นได้แล้วก็เข้าถึงประลับกรรมฐานความเพียรก็เข้าถึงความเจริญทําไมกล้าก้าวออกถามว่าสุนัขตัวนั้น น, นอนอยู่ในโพรงไม้นอนก็ตายเดี๋ยวก็โดนไฟเผาเอาสิตอนเนี้ถ้าเราไม่กล้าระดมความเพียรนะ อกักษศสตรกรรมเก่าทุจริตเก่าบาปเก่าที่ทํามาในสังสารวัตรไอ้ที่เป็นกลุ่มของอนันตรียกรรมที่ให้ผลแล้วในปฏิสนธิการแล้วแต่ชาวนะดวงที่สองดวงที่6ไอ้กรรมหนักๆอักสตรกรรมหนักๆเหล่านี้หรือบาปกรรมหนักๆทั้งหลายที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลในสังสารวัตทั้งหลายมันตามเผาลนเราถึงข้างหลังแล้วถ้ารออยู่เขาก็จะตามให้ผลลงอบายภูมิเป็นส่วนใหญ่เอาที่รอไปสิ ถ้าไม่ระดมความเพียรนี้วิธีคิดปลุกเร้าความเพียร ข, ของท่านนะถ้าไม่คิดอย่างเนี้ยก็โดนเล่นงานแน่นอนนั่งรอยืนรอเดินรอนอนรอเดี๋ยวเขาก็มาส่งผลให้เราลงอบายได้ง่ายๆด้วยเราพลาดนิดเดียวแค่นั้นก็ลงแล้วพเพราะก็รอเสียบรอให้ผลอยู่ตลอดเวลาเพราะทำมาเรียบร้อยหมดแล้วเราไม่ได้ทาแค่มครรคกรรมแค่นั้นเองนอกนั้นมีโอกาสหมดเลยนี่ไง โดยมากโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นบาปเป็นทุจริตกรรมเป็นอากุศลกรรมเก่าบาปเก่าทั้งหลายมันตามเผารนอยูต่ตลอดเวลารอเผลอเมื่อไรก็ให้โอกาสส่งผลเคยกล่าวไว้ทั้งหลายครั้งเทวดาอยู่ดีๆยังตกเอเวจีได้ใช่ไหมมนุษย์อยู่ดีๆตกเอเวจีได้ก็เยอะนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าหยุดไม่ได้แล้วถ้าคนมีญาณปัญญาทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ระดมความเพียรน่ะแต่ไม่ใช่เพียรแบบไม่มีข้อมูลนะ ใช่ไหมถ้ารู้แบบนี้แล้วแต่เพียนยังข้อมูลสรุปประเด็นคำสอนไม่ได้ก็ไม่รู้จะเพียนยังไงอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่าอีกอย่างแต่ถ้ารู้อย่างเนี้ยจะได้เร่งรีบในการปังธรรมจะเร่งรีบในการขวนขวายและศึกษาคำสอนให้ชัดเพราะช่วงเวลาที่ลมหายใจยังอยู่เนี่ยแค่จะสรุปคำสอนให้ตรงประเด็นให้ชัดเนี่ยก็ยังยากเลยบางท่านนี้นะไอ้ตรงเนี้ย แปลว่าเราถูกและอีกอย่างหนึ่งทุจิยริทใหม่อกุศลกรรมใหม่บาปใหม่ที่นเป็นไปกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแข็งแรงดีไหมตรงนี้เป็นยังไงชั้นของการอบรมกายดีไหมใจลี้ศีลบริบูรณ์ไหมและวาริตศีลล่ะเกเรื่องของศีลหเอ๋ยศีล8อาชีวธรรมกศีลศีลอุโบสถหรือศีลเกศีลสิบที่เป็นในสุดตันตศีลเนี่ยนะเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมตรงนี้ ทศจริตยังไหลเข้าสู่ทางทวารกายทวารวาจาหรือทวารใจกรรมมัทวานของเรายังล่วงละเมิดบาปกรรมอยู่หรือไม่กรรมมัทวานทวารที่จะเป็นบ่อเกิดแก่การทำกรรมนะี่ยทางกายกรรมวิญญกรรมมโนโกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะขเป็นอย่างไรอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทางตาหูจมูกเล่นกายใจทาให้กรรมมทวานของเราบริสุทธิ์หมดจดดีถ้าหมดจดดีก็น่าจะ สบายใจได้เขาไปยังมีช่องทางที่จะเดินเพราะท่านบอกว่าถ้าตั้งอยู่ในกุศลศีลแล้วมีสุคติอะแล้วตอนนี้เราตั้งได้อย่างต่อเนื่องไหมตัวแค่กุศลศีลเนี่ยนะชั้นคื้นฐานเนี่ยถ้าตั้งได้อย่างไม่ต่อนเนื่องไม่แข็งแรงเนี่ยเราเป็นผู้ประทุษล้ายตัวเองเนะความเจ็บปวดเนี่ยไม่มีใครมาทำให้กับเราไม่มีใครมาเสกสรรปันแต่งให้กับเราเราเป็นผู้กระทำใช่ไหม ทีน่ามิธาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่ว่าเกิดไม่เป็นเวลามเวลาเนี่ยไม่ใช่มีใครทําให้เราเนะยเราต่างหากเป็นผู้กระทำใช่ไหม <S <S เราเป็นผู้กระทําเองผลเราต้องรับเองนะแล้วถามบอกว่าก็ชีวิตเหลือแค่นี้ทําไมไม่รีบวางแผนที่วันนี้และเดี๋ยวนี้ด้วยใช่ไหมทำไมไม่ตั้งหลักให้ถูกตรงนี้ทั้งบอกว่าเนี่ยวิรยิยะถ้าคิดอย่างเนี้ยมันจะเพียนได้ ถ้าสติก็ลองดูที่ว่าการวิจัยกายเวทนาจิตรละลึกเมื่อไหร่ก็ชัดเมื่อนั้นไหมระลึกหรือตามระลึกเนี่ยกายานุปัสนาชัดไหมประตูนี้พอจะเข้าสู่ไปเดินไปสู่การกำหนดนามรูปรูปนามตามความเป็นจริงยกขึ้นสู่ เ, เหตุผลของนามรูปแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ไหยเนี่ยเดินสู่ช่องของกายานะ เอาลองเอาเดินไม่ได้เพราะติดช่องกายาลองเดินช่องเวทนาสิประตูนี้ล่ะเดินเข้าไปได้ไหมที่จะไปสืบค้นรูปน้ำแล้วก็เหตุผลรูปน้ำแล้วก็ยกขึ้นสู่ตรัยลักษ์เอาถ้าเดินไม่ได้แล้วช่องจิตตาที่กําลังเรียนนี่เราเดินเข้าได้ไหมประตูนี้พี่จะเดินก็สู่ทางจักรกุวทาวารวิถีโสตตวารวิถีเปิตุเหล่านี้นะเดินก็ไปเพื่อไปสืบค้นรูปน้ำเหตุผลของน้ำรูปแล้วก็ยกขึ้นสู่ตรัยลักษ์ แล้วก็จะได้เห็นโทษของมหาโจรที่กําลังกําลังแบกกันอยู่แบกแบกมหาจรครบมหาโจรเดินกันไปอยู่เนี่ยมันจะเริ่มเห็นความเป็นมหาโจรแล้วอยากจะหลีกอยากจะหนีชนิดที่ว่าโหยประเภทที่เนคข ม, ม้าสังกระป๋ากเกิดดุนแรงมากอะ่ะเกิดขนาดไหนติดคุกอยู่เนี่ยคิดออกจากคุกทุกวันอยู่ในกรงขังเนี่ยอยากออกทุกวันไหม ไม่มีวันไหนเลยนะที่ไม่คิดอยากจะออกจากกรงขังใช่ไหปลาติดเบ็ดเนะี่ยมันคิดอยากกระชากเบ็ดออกไ้ยมันดิ้นตลอดเวลาไหมแรงหมดยังดิ้นอยู่นะมันยังดิ้นอยู่ใช่ไหมนกอยู่ในกรงอะ่ะมันวิ่งหาทางออกตลอดนะในนั้นบินเน่คนก็หาว่าไม่ชอบปลาอยู่ในอยู่ในที่ขังมันก็วิ่งวนอยู่นะั่นแหละมันอยากออกอยากเป็นอิสระ เนคขมมะสังกปะก็อยากออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนั้นน่ยอยากออกหเหมือนยอมเล่าให้มาฟังว่าอยากอยู่ป่าเนี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยนี่ไงเนคขมมะนี่เขาเรียกว่าเนคขมมะสังกปะดลัลีออกจากความวุ่นวายไงความสับสนไง มีบ้างไหมอย่างเงี้ยหรือหรือกับดำริตรงกันข้ามดำริอยากจะเกลือกลัวอยู่กับในกรงนี้รู้ว่ามีทางออกอยู่ก็ไม่ได้สนใจที่จะแหวกว่ายห า, าเดินตามทางออกที่พระศ า, าสดาแผ่วทางทางมาด้วยความเหนื่อยยากยกระดับขุนทางปลูผมไว้ให้ได้ซ้าไปว่าทางนี้เป็นทางประเสริฐทางนี้เป็นทางสายเดียวเนี่ย ที่จะนำท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงการดับวัาแตทุกข์ถึงพระนิพพานได้แล้วเรารู้ทางแล้วสบายสบายแล้วแล้วก็กลับมาติดอยู่ในกรงอย่างเดิมที่จริงลมหายใจขาดก่อนไม่ทันได้เปิดกรงใช่ไหมแล้วก็ไปโดดเข้ากรงใหม่อีกก็ไปติดคุกใหม่อีกนะข้านะข้าเลยกลายเป็นผู้ยินดีในกรงยินดีในคุกไปก็จบแล้วเดีเยวนี้แล้วใครจะช่วยเราเดีนี้ถ้าหากว่า ภาศาสดาไปอยู่ในกลับที่ม่มีภาษาสดายจงคิดเป็นไหมก็คิดไม่เป็นเพราะขนาดอยู่ในกลับที่มีภาษาสดาอย่างคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมถ้ากลับที่ไม่มีภาษาสดาวัดเกิดขึ้นมาจบเลยจบแล้วขนาดฟังพระธรรมมาขนาดนี้นะไม่ใช่ไม่ฟังนะเนี่ยแต่คิดไม่ค่อยออกอ่ะแต่ถ้าไม่ไม่เคยฟังเลยอ่ะคิดว่ามันจะคิดเองออกไหมนี่ก็ไปคิดว่าเนี่ยไปคิด ว่าว่าอะไรมันเกิดขึ้นว่าทั้งๆ ท, ที่รู้ทางออกอยู่ว่าอะไรมันดึงใจเราอยู่ใช่ไหมอะไรดึงใจเราอยู่ตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เรียกสติเป็นเครื่องนําออกนีก็จะตั้งมัน่นนสมาธิก็จะออกจากกลุ่มของวิเขระป่าความฟาุ้งซ่านอุทธจารที่อยู่ในอกุศลทั้งหลายเป็นความฟุ้งซ่านหมดแล้วถ้าฟุ้งซ่านหนักหน่อยก็คืออุทธจารสมประโยชน์เขาเรียกโมโมหิต จิตที่หลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างแรงหลงแบบประเทที่ว่าไม่สามารถหาทางออกได้เลยนี่นึงนี่เขาเรียกโมมูหิตแล้วก็ถูกจิตเหล่านี้ความฟุ้งเหล่านี้ปิดไว้ทำความฟุ้งสัน้นเมื่อสมาธิไม่เป็นประทัฐานของปัญญาวิปัสสนาปัญญาก็ไม่เกิดเพราะท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิที่เป็นประทัฐานของปัญญานั้นน่มหาดีกาท่านใช้คาว่า เป็นประทัดฐานของวิปัสสนาปัญญานะีตรงนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันก็แปลว่าอะไรศรัทธาก็ทํากิจเหตงการท์ที่ออกจากอสัตถิยวิริยะก็ทํากิจเตการออกจากโกศชาโกศลสติก็ออกจากมุตธตธสติคือการหลงลืมสติสมาธิก็ออกจากความฟุ้งซ่านปัญญาก็ออกจากความมืดบอดของจิต ความมืดบอดของจิตก็คือกลุ่มโมหะทั้งหลายนั่นเองส ภ, สภาวะธรรมเนี่ยที่ไม่สามารถแทงตลอดสภาวะลักษณะและสามัญยลักษณะของสภาวะธรรมได้นี่คือโมหะปัญญาจะออกจากตรงนี้ได้ออกจากการที่ไปเปิดม่านม่านของจิตเนี่ยนะเพราะโมหะปิดปิดม่านใจม่านจิตนี้อยู่ปัญญาก็ทําหน้าที่จุดประทีป แสงสว่างให้เกิดขึ้นก็จะไปเห็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมด้วยแล้วก็จะไปเห็นสามัญเยลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอนุปัสนาเจ็ดประการนี้ด้วยนั่นแหละตัวปัญญาจึงเป็นประทีปจุดแสงสว่างในที่มืดมืดในที่นั้นเป็นชื่อของโมหะมันปิดมานานแล้วความบอดความมืดบอดของจิตเนี่ยถูกปิดมานานแล้ว ได้วิปัสสนาปัญญาญาณที่พระศาสดาบอกว่าท่านทั้งหลายควรจะเพาะควรจะบ่มควรจะอบรมยรอย่างไรเ <s> มื่อเพาะเมื่อบ่มมาอบรมเบเสร็จนี่แหละวิปัสสนาปัญญามีสมาธิเป็นประฐานใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวสมาธิก็มีในชั้นของศรัทธาวิริยสติเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นฐานที่จะทำให้เกิดก็คือตัวปุสสฬสเป็นต้นเหล่านี้ ฉะนั้นทำเหล่านี้ก็เกื้อหนุนกันศีลเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็มาเกื้อกูลกุศลศีลกุศลศีลเกื้อกูลสมาธิอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปในลักษณะงี้ภาวนาด้วยคําว่าเป็นเครื่องนําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแก่ทำทั้งหลายที่ไม่ร่วงกันและการอินทรีย์ก็มีกิจเป็นอันเดียวกันภาวนาทั้งสี่นั้นเป็นธรรมที่เสพเป็นอาเสวนะก็เจริญยิ่งๆ่งขึ้นไป ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิก็เริ่มเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันก็ในส่วนจริงก็พัฒนานะจากโลกิยาเฮ้ยพอนทีมำกิจในการในการลากิเลสในการลากิเลสในการลากิเลส เพิกสู่บางรูปในพระธรรมวินัยนี้ต่อไปก็ประเภทที่2องไปพิจารณาจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมากตะจิตไม่เป็นมากกัตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือกามาวจรจิตและจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือรูปาวจรจิตและรูปาวจรจิตจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระและอัปนาจิตไม่ตั้งมั่นด้วยอุปจาระและอปนา แล้วก็จิตหลุดพ้นด้วยแต่ทางคะวิมุตต์และ ว, วิขัมภนะวิมุตต์แล้วก็จิตไม่หลุดพ้นด้วยวิมุตต์เหล่านั้นแล้วก็พิจารณาจากขุญยาณโสต า, า, าวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยวิญญาณและ22ก็ไปพิจารณาโม โ, โยญาณด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นของเที่ยงพยิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นสุขพิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นโดยนิพิทานุปัส พิจารณาได้วิราคานนปัสสนาคือคลายความกำหนัดไม่กำหนัดพิจารณาด้วยเห็นโดยนิโรธานุปัสสนาคือเห็นความดับไม่ก่อให้เกิดพิจาณาด้วยปฏินิสคานุปัสสนาคือเห็นความสลักคืนไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปเมื่อพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละนิจจะสัญญาความจำหมายว่าเที่ยงได้เมื่อพิจารณาเห็นด้วยความเป็นทุกข์ละสุขสัญญาความจำหมายว่าเป็นสุขเป็นต้นได้ พิจารณาเห็นด้วยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตาสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายละความยินดีเมื่อคลายกำหนัดก็ละความกำหนัดได้เมื่อดับก็ละสมุทยัยเมื่อสลาคืนก็ละความยึดมั่นถือมั่นได้ภิสูจพิจารณาเห็นด้วยอนุปัสนาเจตประการเนี้ยในยะเดียวกันนะจิตปรากฏไม่ใช่สติจิตตังอุปัทานังโนสติสติปรากฏด้วยเป็นตัวสติด้วยสติปัทานังเจวสติจั พิสูพิจารณาเห็นจิตนั้นด้วยด้วยสตินั้นด้วยญาณะนุเดตาญสติยาเตนะญาเนเนะตังจิตตังนุปัสสติก็แปลว่าทำสติและญาณะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราะเหตุดัง น, นั้นจึงเรียกว่าเป็นการพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งหลายว่าในกรณีพิจารณาจิตในจิตทั้งหลายว่าอย่างนี้เท่านั้นจึงจะเรียกว่าสติปทานภาวนาในจิตตานุัสสนาสติปัฏฐาน ภาวนาสี่อย่างภาวนาด้วยคําว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงกันและกันภาวนาด้วยคําว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันภาวนาด้วยคําว่าเป็นเครื่องนําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแก่ความที่ทำทั้งหลายไม่ล่วงกันและกันแปลว่าทําความสมดุลของอินทรีย์ทั้งหลายเกิดขึ้นนะให้เกิดขึ้นอินทรีย์มีกิจเป็นอันเดียวกันภาวนาด้วยคําว่าเป็นธรรมที่เสพอาเซวนะ จิตานุปัสนาในปฏิสัมพิธามารักปัญญามรักสติปัฏฐานกถาเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ท่านยกให้เห็นว่าว่าการใคร่ควรการพิจารณาในชั้นของจิตานุปัสนาเนี่ยแปลว่าต้องเอาจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระแสขันของแต่ละบุคคลเอามาวิจัยอ๋ออันนี้ก็หมายความว่า อาเสวนะในที่นั้นแปลว่าทําให้เกิดบ่อยๆทําศรัทธาให้เกิดบ่อยๆทําวิรยิยะทำสติทำสมาธิทําปัญญาให้เกิดบ่อยๆสรุปท่านไหนสติปัฏฐานท่านใช้คำว่าทําความเพียรทําสัมปชัญญะทำสติให้เกิดบ่อยๆเกิดจนถึงว่าจากโลกิยะจากกามาวัจากโลกิยาจนถึงโลกุตระได้นั่นแหละเสอาเสวนะทําให้บ่อยๆเพราะอะไร อย่าลืมนะการตั้งโยนิสโสมนัสิกาเนี่ยสาคัญมากเพราะในการปฏิบัติเนี่ยท่านห้ามการเพลิดเพลินนะไม่ใช่ว่าโอ้โหกุศลศีลดีแล้วยินดีในศีลใช่ไหมอุปจารสมาธิตั้งมัน่นแล้วยินดีเพียงแค่สมาธิอัปนาสมาธิตั้งมั่นยินดีแค่อัปนาสมาธิอนนีจานุปัสสนาแข็งแรงแล้วยินดีแค่อ น, นี้จานุปาาัสสนาทุกขานุปัสสนาแข็งแรงแล้วยินดีแค่ทุกขานุปาาัสสนา อนุปะ อ, อนาตานุปัสสนาพอเป็นไปได้แล้วพอและแค่นี้แล้วท่านไม่ใช่ให้เย็นดีในวิวัติญาณาต่ำๆเลยต้องเสพต้องอาเสวนะต้องใส่ใจต้องมนัิการให้เกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆที่สุดจริงๆทำโลกุตระเนะี่ยให้เกิดขึ้นมาได้